ยาซีเร yeah, ียกเรื่องยังไงก็ต้องถูกนณเมืองเมืองหนึ่งในประเทศจีน มีหมอดูกับลูกศิษย์คู่หนึ่งคอยให้คําทํานายแก่ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาวันหนึ่งชายสามคนกําลังจะไปสอบไล่แข่งขันที่เมืองหลวงจึงพากันไปหารือหมอดูหมอดูไม่ยักตอบคําถามของผู้ใดเลยแต่ใช้นิ้วมือนิ้วหนึ่งชูขึ้นหลังจากฟังคนทั้งสามบอกเล่าให้ฟังผลสอบประกาศออกมา คนหนึ่งในสามคนนั้นสอบได้ชื่อเสียงหมอดูผู้นั้นก็เป็นที่เรื่องลือขึ้นมาลูกศิษย์หนุ่มจึงถามท่านหมอดูว่าความลับในการทายได้ถูกต้องนั้นคืออะไรครับความลับของฉันก็คือไม่พูดอะไรเลยคําตอบของหมอดูยิ่งทำให้หนุ่มที่มาฝึกดูลายมืองงหนักขึ้นไปอีก ท่านอาจารย์หมอดูก็ร่ายยาวต่อไปว่าเธอเห็นฉันชูนิ้วเดียวก็อาจหมายความว่าในสามคนนั้นจะสอบได้เพียงคนเดียวแล้วผลออกมาก็ตรงตามที่ฉันทำนายไว้เพลงถ้าสอบได้สองคนคำทำนายของฉันก็ถูกต้องอีกนั่นแหละ เพราะชูนิ้วเดียวหมายถึงสอบตกคนหนึ่งก็ได้ถ้าเขาสอบได้หมดทั้งสามคนนิ้วเดียวก็หมายถึงว่าทั้งสามคนรวมกันนั่นแหละสอบได้ทำนองเดียวกันนี้ถึงในทางตรงกันข้ามก็โูกอีกนั่นแหละลูกศิษย์หนุม่มได้ฟังคำอธิบายจบก็พูดขึ้นว่าโอ้ มีอีกมากมายที่ศิษย์ต้องเรียนรู้เรื่องนี้สอนว่านี่แหละเทคนิคของหมอดูยังง้ายยังไงก็ทายถูกวันยังค่ำ